ะอาพาธการรักษาพิสุขไข้โรงพยาบาลโดยทั่วไปมีแพทย์หญิงและนางพยาบาลเป็นส่วนมากส่วนนายแพทย์และบุรุษพยาบาลจะมีน้อยกว่าสาเหตุคงจะเป็นเพราะว่าบุคคลที่จะเป็นหมอนั้นนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นอื่นอีกด้วยเช่นว่ามีจิตใจเยือกเย็นสุขุมรอบครอบละเอียดละออมมีจิตใจอ่อนโยนและไม่โกรธง่ายพร้อมทั้งมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวคุณลักษณะดังกล่าวโดยมากมีอยู่ในตัวสตรีดูเหมือนว่าสรีระของสตรี ถูกออกแบบมาเพื่อเลี้ยงเด็กและรักษาคนไข้โดยเฉพาะทั้งรูปร่างหน้าตาความสวยความนุ่มนวลและวาจาอันไพเราะก็เป็นสาเหตุทำให้คนไข้ลดความเครียดได้อันหนึ่งสตรีมักมีอัจฉริยะใสที่สนใจใส่ใจเรื่องจุกจิกหยุมหยิม การงานละเอียดอ่อนเช่นงานบ้านทำครัวเลี้ยงเด็กดูแลคนชราคนป่วยบัญชีและเฮลันยิกเป็นต้นทำได้ดีกว่าและถนัดกว่าบุรุษส่วนบุรุษมักจะถนัดการงานที่ใช้กำลังการงานที่ไม่จุกจิกที่ไม่ต้องใช้สมองมากนัก ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลต่างๆจึงมีหมอเป็นแพทย์หญิงและนางพยาบาลมากกว่าหมอที่เป็นนายแพทย์และบุรุษพยาบาลพระพิสุสัมมาเนรเมื่ออาพาธเจ็บป่วยหากสามารถดูแรลรักษากันเองให้โรคหายได้ก็ช่วยกันรักษาพยาบาลถ้าหากเป็นโรคร้ายแรงรักษากันไม่ได้ ต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อพบหมอส่วนมากมักจะพบหมอซึ่งเป็นผู้หญิงและนางพยาบาลเมื่อเป็นเช่นนี้พระบางรูปที่ท่านบวชมานานและเคร่งครัดจะเป็นเพราะเคร่งวินัยหรือเคร่งเครียดก็ตามท่านจะไม่ยอมให้หมอซึ่งเป็นผู้หญิงหรือนางพยาบาลถูกเนื้อต้องตัว จะให้เฉพาะหมอผู้ชายหรือบุรุษพยาบาลฉีดยาวัดความดันถอนฟันขูดหินปูนและเช็ดตัวเป็นต้นเท่านั้นเรื่องนี้สร้างความยุ่งยากและอึดอัดใจให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมากซึ่งโดยปกติในแพทย์และบุรุษพยาบาลก็มีน้อยอยู่แล้วซึ่งต่างคน ต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายทั้งคนไข้เก่าและคนไข้ใหม่ก็เข้ามาอยู่ในความดูแลของตนอยู่เสมอหมอทุกๆคนถึงแม้จะถูกฝึกจัรญาบันแพทย์มาแล้วเป็นอย่างดีก็ตามแต่ก็ต้องพบกับความเครียดเพราะต้องรับผิดชอบคนไข้จำนวนมาก ทั้งยังต้องมารับกระทบกระทั่งกับอารมณ์หงุดหงิดหน้าตาบูดบึ้งของคนไข้อยู่ทุกวันฉะนั้นเป็นพิสุผู้ป่วยควรทำตัวให้หมอรักษาง่ายอย่าทำให้หมอต้องเครียดอย่าทำให้หมอต้องลาบากใจมากไปกว่านี้เดี๋ยวหมอป่วยขึ้นมาใคร จะรักษาคนไข้แทนหมอแพทย์หญิงและนางพยาบาลเห็นพระป่วยรูปที่เคร่งอย่างนี้ไม่ยอมให้หมอซึ่งเป็นแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลถูกต้องตัวก็เข้าใจผิดคิดว่าแม้พระป่วยแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลจะถูกต้องไม่ได้เมื่อถูกต้องตัวท่านแล้วจะกลับเป็นบาปกรรมติดตัวไป ก็เลยกลัวกันไม่กล้ารักษาพระป่วยความจริงแล้วแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลทำการรักษาพยาบาลพระป่วยไข้ได้สามารถถูกเนื้อต้องตัวท่านได้เช่นเวลาฉีดยาวัดความดันถอนฟันและเช็ดตัวเป็นต้นเมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเลย แต่กลับได้บุญมากมายเสียด้วยซ้ําแม้พระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญผู้รักษาพยาบาลพิษุไข้จนถึงกับตัดไว้ว่าผู้ใดปรารถนาจะอุ ป, ปถากเราผู้นั้นพึงพยาบาลพิษุไข้เถิดและพระพุทธองค์ก็ทรงเคยพยาบาลพิษุผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วง นอนจมอยู่บนกองมูดกองคูดด้วยการอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าและอุ้มขึ้นนอนบนเตียงด้วยพระหัตของพระองค์เองไม่ได้ทรงรังเกียจแต่อย่างใดดังมีเรื่องเคยเกิดขึ้นว่าสมัยพุทธกาลมีพิสุรูปหนึ่งเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรง นอนจมกองมูดกองคูดของตนอยู่พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไปกับพระอานนท์ได้ทอดพระเนตรเห็นพิสุรูปนั้นจึงตัดถามว่าเธอเป็นโรคอะไรพิสุพิสุนั้นทูลว่าข้าพระองค์เป็นโรคท้องร่วงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตัดถามว่าเธอมีผู้พยาบาลไหมเล่าพิสุ พิสุนั้นทูลตอบว่าไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุนั้นแล้วจึงรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอไปตักน้ํามาเราจะอาบน้ําให้พิสุรูปนี้พระอานนท์ก็ไปตักน้ํามาถวายพระพุทธองค์และพระอานนท์ได้ช่วยกันอาบน้ําเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าให้ แล้วยกพิสุนั้นขึ้นนอนบนเตียงจากนั้นพระองค์ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุตัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกพิสุฟังแล้วให้โอวาสพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอ ไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาลให้ดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะอุปปัชฌาเราผู้นั้นพึงพยาบาลพิสุไข้เถิดถ้ามีอุปชาอุปชาพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าโรคจะหายถ้ามีอาจารย์อาจารย์พึงพยาบาล จนตลอดชีวิตหรือจนกว่าโรคจะหายถ้ามีสัตวิหาริกพิสุผู้ถือนิสัยกับอุปชาสัตวิหาริกพึงพยาบาลตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีอันเตวาสิกพิสุผู้ถือนิสัยอยู่กับอาจารย์อันเตวาสิกพึงพยาบาลตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหายถ้ามีพิสุผู้ร่วมอุปชาพิสุผู้ร่วมอุปชาพึงพยาบาลตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้ามีพิสุผู้ร่วมอาจารย์พิสุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายถ้าไม่มีอุปชาอาจารย์ สัตธิวิหาริกอันเตวาสิกพิสุผู้ร่วมอุปชาหรือพิสุผู้ร่วมอาจารย์สงต้องพยาบาลถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัตทุกกฎเรื่องรักษาพิสุไข่นี้พระพุทธองค์ได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พิสุทั้งหลายได้รู้และยึดถือปฏิบัติตามสืบไป สำหรับพิสุกผู้ป่วยควรทำตัวให้เป็นผู้รักษาพยาบาลง่ายเพื่อความสะดวกของผู้พยาบาลตลอดถึงความสะดวกในการรักษาโรคอันเกิดขึ้นให้หายเร็วขึ้นหรือไม่ทำโรคนั้นให้กําเริบหนักขึ้นมาอีกอย่าทำตัวให้เป็นผู้ที่เขารักษาพยาบาลยาก อันจะก่อให้โลกที่เป็นอยู่หายช้าหรือกำเริบหนักขึ้นมาอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเหตุแห่งพิสุผู้ป่วยไขย้ผู้พยาบาลยากและผู้พยาบาลง่ายดังนี้องค์คำว่าองคือส่วนย่อยหรือส่วนประกอบแห่งพิสุ ผู้ป่วยไข้ที่รักษาได้ยาก5อย่างดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายพิสุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์5เป็นผู้พยาบาลได้ยากคือ 1. ไม่ทำความสบายฝืนคำสั่งหมอ 2. ไม่รู้จักประมาณในความสบายชอบกินของสแสลง 3. ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาการไข้ตามจริงแก่ผู้รักษาที่มุ่งประโยชน์คือไม่บอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเราว่าทุเราอาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ 5. มีนิสัยเป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนาอันก้าแข็งรุนแรง ไม่เป็นที่ยินดีอันจะภาค ช, ชีวิตเสียดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุอาพาศที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากองค์แห่งพิสุผู้ป่วยไข้ที่รักษาได้ง่ายห้าอย่างดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุอาพาศ ที่ประกอบด้วยองค์5เป็นผู้พยาบาลได้ง่ายคือ 1. ทําทำความสบายไม่ฝืนคำสั่งหมอ 2. รู้ประมาณในความสบายไม่กินของสแสลง 3. ฉันยา 4. บอกอาการป่วยไข้ตามจริงแก่ผู้รักษาที่มุ่งประโยชน์คือบอกอาการไข้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 ที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายอานิสงการรักษาพิสุไข้บุคคลผู้รักษาพยาบาลพิสุไข้จะเป็นพระพิสุสา ม, มาเณรหมอพยาบาลหรือบุคคลใดๆก็ตามรักษาด้วยวิธีการหายามาถวาย หรือช่วยรักษาโรคให้ก็จะได้บุญพราณิสงมากมายคือเมื่อเกิดมาในภพภูมิใดจะเป็นคนมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพาราณาไมยแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและมีอายุยืนยาวกว่าคนธรรมดาเหมือนกับพระพากุระเทระ มีอายุ160ปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดเบียดเบียนเลยตลอด160ปีเรื่องมีอยู่ว่าพระพากุระเทระก่อนบวชท่านเป็นลูกเศรษฐีจากสองตระกูลมีทรัพย์สมบัติมากถึง80โกรธหนึ่งโกรธเท่ากับส0บล้านเป็นคารวาดคองเรือนอยู่8ปสิปี ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดาพระสมณะโคดมเกิดความเลื่อมใสออกบวชเมื่อบวชแล้วท่านเป็นปุตุชนเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพอลุ่งอรุณวันที่8ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาพระศาสดาทรงแต่งตั้งท่านไว้ ในตำแหน่งเอตทัตคะว่าผู้มีอาภาษ์น้อยท่านครองเพศสมณะได้80ปีรวมอายุได้160ปีจึงนิพพานตั้งแต่เกิดจนนิพพานแม้จะกระแอมไอหรือจามก็ไม่มีสาเหตุที่ท่านมีอาภาษ์น้อยก็เพราะกุศลผลบุญ ที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตชาติคือการรักษาพยาบาลพิสุผู้เจ็บไข้นั่นเองอดีตชาติท่านพระภากุระได้เกิดในตระกูลพราหม์เมืองพันธุมดีได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีได้ฌานและอภิน ญ, ญาพานักอยู่ที่เชิงเขาได้ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาสดับพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในไตรสรณะเมื่อพระพิสุทั้งหลายเกิดป่วยไข้ไข้ป่าเพราะหญ้าและดอกไม้หรือสีนั้นได้ไปหายามารักษาจนพระพิสุทั้งหลายหายจากอาการป่วยไข้แล้ว ก็ได้อยู่อุปถาคพระพิสุในที่นั้นจนตลอดชีวิตตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในพรหมโลกท่องเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นเวลา91กับท่านเกิดมาชาติไหน ไ, หนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะอานิสงส์ที่ท่านขนขวายหายามารักษาพระป่วยไข้นั้น การรักษาพยาบาลแม้เป็นแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลมีเจตนารักษาภาพพิสุให้ท่านหายจากโรคนี้เป็นกุศลเป็นเจตนาที่ดีได้บุญมากตามที่กล่าวมาแล้วหากว่ามีเจตนาผิดไปจากนี้เช่นชอบพอพระอยากจับเนื้อต้องตัวมีความกำหนัดยินดี พอใจในรูปร่างหน้าตาเนื้อตัวของพระอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมเพราะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์มีจิตเป็นอกุศลมีราคะแอบแฝงอยู่ส่วนพระในขณะที่แพทย์หญิงหรือนางพยาบาลฉีดยาวัดความดันและเช็ดตัวเป็นต้นต้องมีสติ สำรวมกายวาจาและใจให้ดีอย่าขยับไม้ขยับมืออย่าพูดคำที่ไม่สมควรอย่าคิดนอกรูนอกทางลำพังแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลจับต้องไม่ทำให้ต้องอาบัติเลยบางครั้งพระพิสุอาจเผลอสติไปถูกต้องตัวผู้หญิงโดยไม่ได้ตั้งใจ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเดินชนกันในที่มืดอยู่บนรถบนเรือที่มีผู้โดยสารจำนวนมากหรือระหว่างรับประเคน ร, รับบาทเป็นต้นหากว่ามือไปโดนกันเข้าไม่ต้องอาบัดแต่อย่างใดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเพราะไม่มีเจตนาไม่จงใจ เมื่อพิสุถูกต้องตัวผู้หญิงในคราวที่รับบาดเป็นต้นไม่เป็นอาบัติในขณะที่นางพยาบาลเช็ดตัวหรือวัดความดันให้อยู่พระเกิดความกำหนัดยินดีแต่ไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ขยับมือตอบสนองได้แต่นั่งหรือนอนนิ่งนิ่งยินดีในการสัมผัสอย่างเดียวไม่เป็นอาบติ เพราะอาบัตทางความคิดคือมโนทวารทางใจไม่มีดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพิสุดใดมีความประสงค์จะเสพแต่มีการนิ่งรับรู้คือยินดีสวยสัมผัสอย่างเดียวไม่เป็นอาบัตแก่พิสุนั้นเพราะไม่มีอาบัตในอาการสักว่าจิตุประบาท เพียงแค่คิดยังไม่เป็นอาบัติแต่ในขณะใดที่นางพยาบาลเช็ดตัวหรือวัดความดันให้อยู่พระเกิดความกำหนัดยินดีพอใจแล้วขยับตัวหรือไหวกายเพื่อรับรู้ผัสสะสัมผัสเพียงนิดเดียวจะต้องอาบัติสังฆาทิเศษทันทีดังที่ท่านแสดงไว้ว่า พิสุที่ถูกผู้หญิงจับต้องมีความประสงค์ในอันเสพถ้าขยับตัวหรือไหวากายแม้หน่อยหนึ่งเพื่อรับรู้ผัสสะเธอต้องอาบัตสังคาทิเศษพระพิสุจะต้องอาบัตสังคาทิเศษข้อเกี่ยวกับการจับต้องกายหญิงนี้ต้องมีองค์ประกอบครบ5คือ หหญิงมนุษย์แม้เกิดในวันนั้น 2. รู้ว่าเป็นหญิงมนุษย์ 3. ม, มีความกำหนัดใครจะจับต้องกาย 4. มีความพยายามอันเกิดจากความกำหนัดนั้น 5. จับต้องที่มือเส้นผมเป็นต้นสรุปได้ว่าการที่พิสูจจะต้องอาบัตสังฆาทิเศษ เกี่ยวกับการจับต้องกายหญิงต้องมีองค์ประกอบครบห้านี้เท่านั้นลำพังแต่ผู้หญิงมาจับต้องตัวพิสุเฉยโดยที่พิสุไม่มีความกำหนัดรับตอบโต้สัมผัสที่เขาถูกต้องนั้นไม่ทำให้ต้องอาบัตเลยเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกสาวพี่สาวน้องสาว พระไม่ควรจับต้องถูกตัวโดยที่สุดแม้เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้นถ้าจับต้องเป็นอาบัตทุกกฎในพระบาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรับอาบัตทุกกฎเหมือนกันทั้งนั้นแม้พิสุผู้จับต้องด้วยความรักว่าผู้นี้เป็นแม่ของเรานี้เป็นลูกสาวของเรา นี้เป็นพี่สาวน้องสาวของเราเพราะขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหมดจะเป็นมารดาก็ตามเป็นธิดาก็ตามเป็นข้าศึกแก่พรหมจันท ร, ร์ทั้งนั้นเมื่อระลึกถึงคําสอนนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเราต้องมีสติสํารวมมืออย่าเที่ยวไปจับโน้นจับนี้จะทําให้ต้องอาบัติ ไม่ใช่เฉพาะเพียงเพศหญิงอย่างเดียวที่พระพุทธองค์ห้ามจับต้องยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทรงห้ามเช่นกันสิ่งที่พระไม่ควรจับต้องเรียกว่าวัตถุอนามาตุผู้หญิงทั้งหมดมีแม่ลูกสาวพี่สาวและน้องสาวเป็นต้นเครื่องแต่งกายผู้หญิงมีผ้านุ่ง ผ้าหม่มเครื่องประดับรูปภาพผู้หญิงและตุ๊กตาผู้หญิงเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียทุกจำพวกมีสุนักแมวและไก่เป็นต้นธั ญ, ญชาติเจ็ดชนิดมีข้าวสาลีข้าวระมานและข้าวเหนียวเป็นต้นรัตนะสิบประการ มีมุกดามณีไพฑู น, นสังศิลาประพานเงินทองทับทิมและบุษราคกมเครื่องจับสัตว์ทุกอย่างมีแหอวนไข่รอบใสสุ่มและเบ็ดเป็นต้นเครื่องดนตรีทุกชนิดมีพินกอง แต่ปีขุยและละนาดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุอนามาตพระจับต้องไม่ได้หากไม่มีความเอื้อเฟื้อแล้วจับต้องเป็นอาบัตทุกกฎเรื่องการดูแลรักษาพิสุผู้ป่วยไขย้พระเราควรใส่ใจและถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะเป็นหน้าที่ จำเป็นที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันคนในโลกนี้ไม่มีใครหรอกปรารถนาเจ็บป่วยแต่เพราะร่างกายคนเราเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพระพุทธพจน์ที่ว่าพวกเธอไม่มีพ่อแม่ผู้ใดเล่าจะรักษาพวกเธอถ้าพวกเธอ ไม่ดูแรลรักษากันเองใครเล่าจะรักษาให้พราะควรน้อมเข้ามาไว้ในใจพระพุทธพจน์นี้ประทับใจมากและพระพุทธองค์ได้ทรงธรรมให้ดูเป็นแบบอย่างมาแล้วพวกเราต้องดูแรลรักษากันจนสุดความสามารถหากเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น ค่อยนำส่งโรงพยาบาลให้หมอช่วยรักษาแม้จะอยู่ในความดูแลของหมอแล้วก็ตามควรผัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมถามดูอาการไปให้กำลังใจเช็ดตัวซักผ้าและสนทนาธรรมเป็นต้นเพราะคนป่วยต้องการกำลังใจถ้ามีกำลังใจดีจะหายป่วยได้เร็ว ถ้าขาดกำลังใจอาการอาจจะสุดลงทันทีสำหรับผู้ป่วยเองควรพิจารณาถึงมรนานุสติอยู่เสมอว่าเราเกิดมาต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนี้เรายังไม่ตายพรุ่งนี้เราจะตายพรุ่งนี้เรายังไม่ตายวันต่อต่อไป เราต้องตายแน่นอนเพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับสัตว์ผู้เกิดมาในโลกนี้ถึงจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็รอความตายทั้งนั้นความตายมีอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้า ก็ตายเช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะไม่หวาดกลัวมรณ ะ, ะภัยใจจะปล่อยวางเห็นว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบใจจะไม่ทุกข์ถึงเจ็บป่วยก็คงป่วยแต่กายเท่านั้นใจจะไม่ป่วยตามไปด้วยเลย ถึงทุกก็คงทุกกายเท่านั้นใจจะไม่เป็นทุกข์ตามไปด้วยเช่นกันถ้าไม่มนัสิการกรรมาฐานบ้างผู้ป่วยจะขาดที่พึ่งทางใจ ว, ว้าเหวเหงอยเหงาซึมเศร้าใจน้อยเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปสรุปว่าเมื่อแพทย์หญิงหรือนางพยาบาลฉีดยาวัดความดัน เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พระต้องสารวมกายวาจาและใจให้ดีอย่าให้กรรมราคะครอบงำต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นพระไม่ควรคิดนอกรูนอกทางถ้าวางใจได้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องอาบัตอาชีพหมอและพยาบาลถือว่าโชคดี กว่าอาชีพอื่นๆเพราะมีโอกาสสร้างบุญ ส, สร้างกุศลกับผู้ป่วยผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือพระภิกษุป่วยหากว่าได้รับการรักษาพยาบาลให้หายจากความเจ็บป่วยหายจากความทุกข์ทรมานกลับมาเป็นคนปกติมีความสุขดังเดิม บุญกุศลมิใช่น้อยย่อมตกเป็นของชนผู้ประกอบอาชีพเช่นนี้เรื่องที่เข้าใจกันมาผิดๆว่าแพทย์หญิงและนางพยาบาลถูกเนื้อต้องตัวพระป่วยแล้วเป็นบาปเป็นกรรมนั้นขอให้ใคลายความกังวลไปได้เลยไม่เป็นบาปแต่อย่างใดขอให้ตั้งใจรักษา ท่านด้วยจิตบริสุทธิ์อ น, นิสงค์คือความเป็นคนมีสุขภา พ, พารา r a n ม่แข็งแรงความสุขกายสบายใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและมีอายุยืนยาวจะบังเกิดขึ้นแก่แพทย์และพยาบาลทุกท่านอย่างแน่นอน